ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่หนึ่งสังขารทั้งปวงกับธรรมทั้งปวงผู้ศึกษาจะสังเกตเห็นว่าในข้อหนึ่งและข้อสองท่านกล่าวถึงสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แต่ในข้อสาม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 และเหนือสามัญยวิสัยรวมอยู่ในคำว่า ท, ทาทั้งสิ้นถ้าจะให้ทามีความหมายแคบเข้าหรือจาเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เติมคาขยายประกอบลงไปเพื่อจำกัดความให้อยู่ในขอบเขต ท, ที่ต้องการหรือจาแนกแยกทานั้นแบ่งประเภทออกไปแล้วเลือกเอาส่วนหรือแง่ด้านแห่งความหมายที่ต้องการหรือมิฉนั้นก็ใช้คาว่าทำคาเดียวเดียวโดด เต็มรูปของมันตามเดิมนั่นแหละแต่ตกลงหรือหมายรู้ร่วมกันไว้ว่าเมื่อใช้ในลักษณะนั้นๆในกรณีนั้นหรือในความแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นจะให้มีความหมายเฉพาะในแนวความหรือในขอบเขตว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นเมื่อมาคู่กับอธรรมหรือใช้เกี่ยวกับความประพฤติดีที่ชั่วของบุคคลหมายถึงบุญหรือคุณธรรมคือความดีเมื่อมากับคําว่าอัทธะ หมายถึงตัวหลักหลักการหรือเหตุเมื่อใช้สำหรับการเล่าเรียนหมายถึงปริยัติพุทธพจน์หรือคำสั่งสอนดังนี้เป็นต้นธรรมที่กล่าวถึงในหลักอนัตตาแห่งไตรลักษณ์นี้ท่านใช้ในความหมายที่กว้างที่สุดเต็มที่สุดขอบเขตของศัพท์คือหมายถึงสภาวะหรือสภาพทุกอย่างไม่มีขีดขั้นจากัด ทำในความหมายเช่นนี้จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อแยกแยะแจกแจงแบ่งประเภทออกไปเช่นจำแนกเป็นรูปธรรมและนามธรรมบ้างโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมบ้างสังคตะธรรมและอสังคตธรรมบ้างกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากฤตรธรรมบ้างอัพยากฤตธรรมคือสภาวะที่เป็นกลางๆธรรมที่จำแนกเป็นชุดเหล่านี้แต่ละชุด ครอบคลุมความหมายของธรรมได้หมดสิ้นทั้งนั้นแต่ชุดที่ตรงกับแง่ที่ควรศึกษาในที่นี้คือชุดสังฆตธรรมและอสังฆตธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงแยกประเภทได้เป็นสองอย่างคือสังฆตธรรมและอสังฆตธรรมสังฆตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่ธรรมที่มีปัจจัย สภาวะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันแต่งสรรค์ขึ้นสิ่งที่ปัจจัยประกอบเข้าหรือสิ่งที่ปรากฏและเป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารซึ่งมีรากศัพท์และคำแปลเหมือนกันหมายถึงสภาวะทุกอย่างทั้งทางวัตถุและทางจิตใจทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งที่ดีที่ชั่วและที่เป็นกลางกางทั้งหมดเว้นแต่นิพานอาสังคตธรรมธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งได้แก่ธรรมที่ไม่มีปัจจัยหรือสภาวะที่ไม่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิสังขารซึ่งแปลว่าสภาวะปลอดสังขาร หรือสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหมายถึงนิพพานโดยนยะนี้จะเห็นชัดว่าสังขารคือสังคต ธ, ธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมแต่ธรรมกินความหมายกว้างกว่ามีทั้งสังขารและนอกเหนือจากสังขารคือทั้งสังคต ธ, ธรรมและอสังคต ธ, ธรรมทั้งสังขารและวิสังขาร หรือทั้งสังขารและนิพพานเมื่อ น, นำเอาหลักนี้มาช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตรายักษ์จึงสามารถมองเห็นขอบเขตความหมายในหลักสองข้อต้นคืออนิจจตาและทุกขตาว่าต่างจากข้อสุดท้ายคืออนัตต า, ตาอย่างไรโดยสรุปได้ดังนี้สังขารคือสังขตรตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ตามหลักข้อหนึ่งและข้อสองแห่งตรายักษ์ และเป็นอนัตตาด้วยตามหลักข้อสาแต่อสังคตธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานไม่ขึ้นต่อภาวะเช่นนี้ธรรมทั้งปวงคือทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารคือสภาวะทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งนิพพานเป็นอนัตตาคือไร้ตัวไม่ใช่ตนอนาตาัตตาเท่านั้นเป็นลักษณะร่วม ที่มีทั้งในสังคตธรรมและอสังคตธรรมส่วนอนิจจตาและทุกตาเป็นลักษณะที่มีเฉพาะในสังคตะธรรมซึ่งทําให้ต่างจากอสังคตธรรมในพระบาลีบางแห่งจึงมีปุทธพจน์แสดงลักษณะของสังคตธรรมและอสังคตะธรรมไว้เรียกว่าสังคตะลักษณะและอสังคตะลักษณะใจความว่าสังคตะลักษณะ คือเครื่องหมายที่ทำให้กำหนดรู้หรือเครื่องกาหนดหมายให้รู้ว่าเป็นสังคตะว่าเป็นสภาวะที่มีปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันแต่งสรรค์ขึ้นของสังคัตธรรมเครื่องหมายนั้นมี3มอย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความแตกดับหรือความสลายปรากฏ 3. เมื่อดำรงอยู่ความผันแปรปรากฏ ส่วนอสังคตะลักษณะคือเครื่องหมายที่ทำให้กำหนดรู้หรือเครื่องกำหนดหมายให้รู้ว่าเป็นอสังคตะว่าไม่ใช่สภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมาร่วมการทำขึ้นแต่งขึ้นของอสังคตธรรมเครื่องหมายนั้นก็มีสมอย่างคือ 1. ไม่ปรากฏความเกิด 2. ไม่ปรากฏความสลาย 3. เมื่อนารงอยู่ ไม่ปรากฏความผันแปร ь. รวมความมาย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ชัดขึ้นอีกว่าอาสังคตรธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานพ้นจากภาวะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แต่ก็เป็นอนัตตาไร้ตัวไม่ใช่ตนส่วนธรรมอื่นนอกจากนั้นคือสังขารหรือสังคตรธรรมทั้งหมดทั้งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ดังความในบาหลีแห่งวินัยปิฎกผูกเป็นคาถายืนยันไว้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขต ธ, ธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตาวินิจฉัยมีอยู่ดังนี้ในคำพีชั้นอัตถกถาพึงอ้างหลักฐานเช่นในคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าอัตตสุญญะมาะตะปทัง อมะตะหมดคือนิพพานว่างจากอัตตาในคำพีสัทธธรรมปกาสินีกล่าวว่านิพพานธรรมโมอัตตเซวะอภาวะโตอัตตสญโยนิพพานธรรมชื่อว่าว่างจากอัตตาเพราะไม่มีตัวตนนั่นเอง